ข้าพระเจ้ายอมรับว่าเป็นความจริงบางคนก็เคยเป็นมหาโจรมาก่อนเช่นเรวตะเป็นต้นจริงทีเดียวข้าพระเจ้าเป็นเพียงมหาโจรคนเดียวในจำนวนห้าร้อยได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาแล้วปลับใจเป็นคนดีนอกจากพักพวกข้าพระเจ้าห้าร้อยคนแล้ว ยังมีโจรกลุ่มอื่นอีกเป็นจํานวนมากจํานวนพันที่กลับใจเป็นคนดีได้เพราะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะข้าพเจ้าจึงขอถามท่านในตอนนี้ก่อนว่าคนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดีได้เพราะได้ฟังคำสอนของพระศาสดาเช่นอย่างข้า พ, พเจ้ากับคนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดีไม่ได้แม้จะได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระศาสดา อย่างพระเทวทัตพวกไหนมีจำนวนมากกว่าออ่คือตอบมาตามความเป็นจริงท่านวีระสีหะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียคะแนนเพราะนี่เป็นแต่เพียงการถามเบื้องต้นเพื่อ น, นำไปสู่ประเด็นใหญ่เท่านั้นเชิญตอบตามความเป็นจริงแบบนักปราศสนทนากับนักปราศคนทั่วที่กลับตัวเป็นคนดีได้ เมื่อได้ฟังคำสอนของพระสมเด็โคดมแล้วออมีจำนวนมากกว่า <c oughs> ขอบคุณมากท่านวีรารีหะ ที่ท่านตอบตามความเป็นจริงสแสดงว่าท่านเป็นนักปราชญ์ที่รักความจริงพูดความจริงแท้ก็เมื่อท่านเองยอมรับแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถทำให้คนชั่วจำนวนมากกลับเป็นคนดีได้ส่วนคนชั่วที่ไม่สามารถกลับใจได้ไมีจำนวนน้อยอย่างนี้เป็นการถูกต้องแล้วหรือที่ท่านจะพูดว่าธรรมะคาสอนของพระบรมศาสดา เป็นสิ่งไร้ผลอย่างสิ้นเชิงดูสิวีระศีหักเลยก็เลยใช่ไหมไม่อาขุนไม่อาขุไม่อาไม่แบ่งใจแน่เงินอย่างถดีทางกระแับกระใสได้ขนาดนี้ผมไม่รู้จะตอบท่านไร้วัตตาไว้อย่างไงงงนิ่งไปเลยนิ่งไปเลยท่านวีระศรีหัข้าพเจ้าต้องขอโทษถ้าคำถามของข้าพเจ้าทำให้ท่านต้องเก้อเขินความจริงข้าพเจ้าไม่มีเจตนาเช่นนั้นเลยพิทยาให้ท่านคิดให้รอบคอบ ก่อนจะกล่าวตราบปรามผู้อื่นเท่านั้นจริงอยู่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอาจไม่สามารถทำให้คนชั่วบางคนเป็นคนดีได้แต่จำนวนคนที่กลับตัวเป็นคนดีได้มีมากกว่าซึ่งท่านก็ยอมรับแล้วการที่เราจะตัดสินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีมีประโยชน์หรือไม่เราควรจะถือเอาคนจำนวนมากเป็นเกณฑ์การตัดสินไม่ควรถือเอาคนส่วนน้อยเป็นเกณฑ์ ท่านวีราศีห์ข้าพเจ้าจะอุปมาให้ท่านฟังเวชการคนหนึ่งมียารักษาโรคอันชงนัดอยู่ในมือมีคนเจ็บป่วยหลายพันคนไปหาเขาเพื่อขอยารับประทานเขาได้กรุณาแจกใจ่ายให้แก่คนเจ็บเหล่านั้นคนเจ็บป่วยได้กินยาวิเศษนั้นแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นจํานวนมากมีคนเจ็บคนเดียวหรือสองคนเท่านั้นที่ไม่หาย และการที่คนคนหนึ่งจะอ้างเอาคนไม่หายสองคนนั้นเป็นเลิศแล้วตำหนิว่ายาของเวชการคนนั้นไม่มีผลท่านเห็นว่าข้อกล่าวหาของเขามีเหตุผลสมควรเชื่อได้หรือไม่ดูเสียงเงียบแล้วท่านวีรศรีหานิ่งไปแล้วไหมก็ตอบไม่ได้นี่ใช่เลอุปมาของท่านเลวต่างเป็นความจริงทุกอย่างนะเอาละท่านวีรศสีฮะหวังว่าท่านคงจะทําความเข้าใจสมัยว่า พระธรรมของพระบรมศาสดามีผลและก็เลิกตำหนิตีเตียนต่อไปเออเป็นอันว่าผู้แทนฝ่ายพุทธบริษัทก็ได้แก้ข้อกล่าวหาของฝ่ายนิครนตกไปแล้วการโต้อ ต, อตอบกันในวรรแรกข้าพเจ้าผู้เป็นประธานให้ถือว่าสเสมอกันตามข้อตกลงเพราะฝ่ายตอบสามารถ ตอบคำถามได้ออต่อไปนี้ให้คู่โตวาทีเข้าสู่ประเด็นอื่นต่อไปข้าห้เจ้าผู้เป็นประธานขอย้ฝ่ายพนริษัทเป็นฝ่ายถาม ต้อเกิดจังเลยต้องใช้เมียเก่มันี่อาบอ้อยนี่จะเอาถามเมียจังเอวันนี้ไปเที่ยวันดูจี่๋ขอบคุณมากท่านประธานเข้มแข็งอาหารดีที่ยอากาศอย่างข้าพเจ้าปัญหาที่ข้าพเจ้าจะถามนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับหลักคําสอนบางอย่างในลัทธิของท่านเองจุดประสงค์ที่ถามก็เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในข้อที่ข้าพเจ้าและผู้ฟังบางคนยังเครือบแคลงสงสัยไม่ใช่ตอบโต้เอาแพ้เอาชนะกันไม่มีเจตนาที่จะหักล้างและย่ำยีลัทธิศาสนาของท่านแต่อย่างใดก่อนอื่นข้าพเจ้าใค่ขอถามว่าลัทธินิครนของท่านเป็นลัทธิกรรมมาวยึดมั่นในหลักของกรรมใช่หรือไม่ใช่ พระเจ้าก็ได้ยินได้ฟังมาเช่นนั้นแต่ยังไม่เข้าใจแจมแจ้งว่าลัทธิกรรมวาดของท่านมีความหมายแค่ไหนและอย่างไรท่านเรวตัตต์ะหลักกรรมในศาสนาของเรามีลักษณะแตกต่างจากกรรมในศาสนาของท่านอยู่บ้างแตกต่างกันยังไงละ่ะหลักกรรมในศาสนาของท่านถือว่าการกระทําที่จัดเป็นกรรมได้นั้น จะต้องมีเจตานาหรือความตั้งใจความจงใจอยู่ด้วยจึงจะเป็นกรรมเทนกระทำด้วยเจตานาพูดด้วยเจตานาคิดด้วยเจตานาถ้ากระทำพูดคิดโดยไม่ตั้งใจไม่จัดเป็นกรรมและไม่มีผลจจนในศาสนาของเราเราถือว่าการกระทำการพูดและการคิดไม่ว่าจะมีเจตานาหรือไม่มีเจตานา นัดเป็นกรรมทั้งนัดไม่ผลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลักการของท่านจึงหยาบกว่ามีขอบเขตจำกัดส่วนหลักกรรมของเราละเอียดมีขอบเขตกว้างขวางกว่าอืาขอบคุณมากท่านวีรศรีหะเท่าที่ได้ฟังท่านอธิบายรู้สึกว่าหลักกรรมของท่านละเอียดและออดี และมีขอบเขตกว้างขวางกว่าเราแต่ข้าพเจ้ายังสงสัยท่านงสงสัยอะไรการกระทําการพูดการคิดทุกอย่างไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ถือว่าเป็นกรรมจะต้องได้รับผลหมดกรรมที่คนบ้าไบ่เสียจริตกับคนธรรมดากระทํามีผลเท่ากันกรรมที่คนนอนหลับละเมอไปกระทํากับกรรมที่คนตื่นอยู่กระทํามีผลเท่ากัน กรรมบางอย่างที่สัตว์กระทำกับที่คนกระทำมีผลเท่ากันอย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นคนบ้าทําบาปกับนักปราบทําบาปทั้งสองก็ตกนรกด้วยกันใช่ไหมก่อนที่ข้าพเจ้าจะตอบข้าพเจ้าขอถามท่านก่อนธรรมดาไฟยอมเป็นของร้อนใช่หรือไม่ใช่คนบ้าเอามือไปจับไฟ กับนักปราชเอามือไปจับทั้งสองจะรู้สึกร้อนเหมือนกันไหมร้อนเหมือนกันถ้าอย่างนั้นคนบาปทำบาปกับนักปราชทำบาปก็ตกนรกเหมือนกันหลักธรรมของท่านฟังดูรู้สึกว่าให้ความยุติธรรมดีนะเพราะไม่ว่าใครทำดีให้ผลเท่ากันไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แต่ข้าพเจ้าใคร่ขอถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการที่ต้นไม้ต้นหนึ่งลม้มนับว่าเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมเหมือนกันพอจะจงเคราะห์เข้าเป็นกรรมได้ถ้าต้นไม้ที่ล้มนั้นปรเอินไปทับคนตายต้นไม้นั้นเป็นบาปหรือไม่ เ, เ, เข้าใจว่า เ, เป็นบาปเหมือนกันถ้าต้นไม้ล้มทับคนเป็นบาปแล้วไฟไหม้บ้านคนสวดวายไฟก็เป็นบาป น้ำป่าหลากมาท่วมข้าวกล้านาไร่ของชาวบ้านน้ำก็เป็นบาปดินถล่มพังทับคนบาปตายดินก็เป็นบาปอย่างนั้นใช่ไหมเป็นบาปทั้งนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายรับฟังไว้ว่าตามหลักกรรมของลทัทธิลิขรนนั้นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนานับว่าเป็นกรรมทั้งนั้น ถ้าคนคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งตายด้วยเจตนากับการที่ต้นไม้ล้มทับคนตายต้นไม้และคนคนนั้นชื่อว่าทำบาปเหมือนกันสําหรับคนนั้นคงไปตกนรกแน่นอนแต่ต้นไม้นั้นทำบาปจะตกนรกหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบไฟเผาบ้านคนไฟจะตกนรกหรือไม่ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันและไม่ขอซักไซไล่เลียงท่านวีรสีหะให้เสียเวลา ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูก็แล้วกันว่าหลักธรรมอันกว้างขวางมีเหตุผลควรเชื่อถือได้หรือไม่เอาละข้าพเจ้าจะถามเรื่องกรรมต่อเมื่อบุคคลกระทำกรรมแล้วกรรมให้ผลอย่างไรท่านวีระสีหะกรรมที่บุคคลทำแล้วจะก่อให้เกิดสรีระจิตใจสติปัญญา และความสุขความทุกข์ทั้งปวงในชาติต่อไปเท่าที่เราได้รับทุกจริงทุกอย่างอยู่ในชาตินี้เป็นผลแห่งกรรมเก่าที่เราได้กระทําไว้ในชาติก่อนทั้งสิน้นข้าพเจ้าสงสัยนะข้อไหนสุขทุกข์ที่เราได้รับอยู่ขณะ น, นี้เป็นผลแห่งกรรมเก่าทั้งสิน้นข้าพเจ้าไคขอถามว่าเมื่อท่านบําเพ็ญตะบะทรมานตัวให้ลําบากด้วยวิธีต่างๆนั้น ท่านได้รับทุกขเวทนาหรือไม่ได้รับทุกขเวทนานั้นเป็นความสุขหรือความทุกเป็นความทุกความ ท, ทุกทรมานที่เกิดจากการบำเพ็ญตบะนั้นเป็นผลของกรรมในชาติก่อนหรือว่าเป็นผลแห่งการกระทำของท่านเองในชาตินี้ท่านวีระสีหะโปรดตอบมาตามความเป็นจริงความทุกทรมานนั้นเกิดจากกรรมในอดีตชาติหรือเกิดจากกรรมในชาตินี้ ว่าไงล่ะท่านวีระสีหะขอให้ท่านตอบท่านผู้เป็นประธานข้าพเจ้าซักถามท่านวีรศรีหะด้วยคำถามเดียวกันนี้ถึงสามครั้งแต่ท่านก็ไม่ตอบแสดงว่าท่านไม่สามารถตอบข้อซักถามของข้าพเจ้าได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงสมควรได้หนึ่งคะแนนเรวัตต์ได้หนึ่งคะแนน ท่านจะเพิ่งพาภูมิใจไปก่อนท่านได้คะแนนน้ําหน้าข้าพเจ้าไปแล้วหนึ่งคะแนนคราวนี้ข้าพเจ้าจะไล่จอนท่านให้จนเอาคะแนนเท่ากับท่านให้ได้เชิญท่านวีรศรีหะถามได้ตามชอบใจแต่ควายเจ้าตอบคําถามท่านไม่ได้ท่านก็จะได้คะแนนตามที่ตกลงกันไว้เชิญท่านตามรัฐธคําสอนของพระสมณโคโดมนั้น การกระทําที่ประกอบไปด้วยความตั้งใจจึงจะจัดเป็นกรรมอย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่การกระทําโดยไม่เจตนาไม่ได้ตั้งใจทํานับว่าไม่เป็นกรรมใช่หรือไม่ใช่ถ้าท่านไม่รู้ไม่เห็นไม่มีเจตนาแต่เดินไปเหยียบฝูงมดตายมดตายตรงเพราะการกระทําของท่านหรือไม่ใช่สิ มดตายเพราะการกระทําของข้าพเจ้าต่อมาท่านทราบว่าท่านเยียบฝูงมดตายโดยไม่เจตนาท่านเห็นฝูงมดตายกลืนกราดอยู่แทบเท้าของท่านท่านรู้สึกสงสารมดเหล่านั้นและเสียใจต่อการกระทําโดยไม่เจตนาของท่านหรือไม่ข้าพเจ้าต้องสงสารฝูงมดและรู้สึกเสียใจแน่นอนท่านเยียบมดโดยไม่เจตนามดก็ตาย เช่นเดียวกับเหยียบด้วยเจตนาและท่านก็เกิดความสงสารหมดผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นและเสียใจต่อการกระทําของตนก็แสดงว่ากรรมที่ท่านกระทาโดยไม่เจตนานั้นก็มีผลเท่ากับกรรมที่กระทําด้วยเจตนาน่นสิท่านวีรศรีหะก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจหลักธรรมของเราสัก่อนการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาเราจัดว่าเป็นกรรมซึ่งจะมีผลในระยะ ก, กาลนาน กรรมบางอย่างให้ผลข้ามภพข้ามชาติแต่กรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันแล้วก็สิ้นสุดลงในปัจจุบันแล้วแต่กรรมหนักกรรมเบาแล้วแต่เจตนาของผู้กระทาการกระทาที่ไม่เจตนาเราไม่เรียกว่ากรรมแต่เป็นเพียงกิริยาอาการเท่านั้นกิริยาก็มีผลเหมือนกันผลของกิริยาเรียกว่าปฏิกิริยา กิริยาทุกอย่างย่อมมีปฏิกิริยาเปรียบเหมือนบุรุษตีกลองถ้าตีแรงเสียงกลองก็ดังแรงตีเบาเสียงกลองก็ดังเบาการเดินไปเหยียบสัตว์ตายโดยไม่เจตนาจัดเป็นเพียงกิริยาไม่ใช่เป็นกรรมอาการสัตว์ตายเป็นปฏิกิริยาอาการบุคคลเหยียบสัตว์ตายเกิดความสงสารและเสียใจจัดเป็นปฏิกิริยาชั่วคราวเท่านั้น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 ต้องได้รับผลข้ามพบข้ามชาติต่อไปซึ่งเป็นไปไม่ได้ขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยกิริยาแปลว่าอะไรท่านเจวตัตตะตามรูปศัพท์แปลว่าการกระทำกรรมละแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทำถ้าอย่างกันกิริยาหรือกรรมก็คือการกระทำเหมือนกันเมื่อกำกับกิ ร, ริยาเป็นอันเดียวปฏิกิ ร, ริยาหรือผลของกรรมก็เป็นอันเดียวกันใช่หรือไม่ โดยพยัญชนะแล้วกรรมกับกิริยาเป็นอันเดียวกันปฏิกิริยากับผ ล, ลกรรมก็เป็นอันเดียวกันแต่เนื้อความแล้วกรรมกับกิริยาต่างกันกรรมหมายถึงการกระทําของผู้มีสติสมบูรณ์ด้วยเจตนาหรือด้วยความตั้งใจกิริยาหมายถึงการเคลื่อนไหวของคนสัตว์หรือแม้แต่สิ่งของที่ปราศจากชีวิตจิตใจ ปฏิกิริยาคือผลสะท้อนชั่วคราวอันเกิดจากกิริยานั้นๆส่วนวิบากหรือผ ล, ลกรรมคือสะท้อนผู้กระทำจะได้รับช้าหรือเร็วแล้วแต่แรงกรรมท่านเรวัตถ์ถึงท่านจะอธิบายวย่าควรยังไงก็ไม่ทําให้ขาเจ้าและประชาชนกวยแขวะเป็นอื่นไปได้ขบจ้ายังเห็นว่ากรรมกับกิริยาเป็นอันเดียวกัน มีผลเท่ากันอุปมารเรื่องกรองของท่านเองนั่นแหละธรรมดากรองย่อมดังในเมื่อคนตีจะเจตนาหรือไม่เจตนากรองก็ดังเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะมาบอกว่ากิริยาหรือการกระทํำที่ไม่มีเจตนาไม่มีผลได้ยังไงข้าพเจ้าไม่ได้ว่ากิริยาไม่มีผลมีเหมือนกันแต่เป็นผลชั่วคราวไม่ได้ติดตามไปให้ผลข้ามภพข้ามชาติเหมือนผลระดม ก็เป็นอันว่าท่านยอมรับแล้วว่ากรรมและกิริยาต่างก็ไม่ผลเหมือนกันท่านวีราสีหะครั้งหนึ่งมีเสือโคร่งตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างแมวตัวหนึ่งมีชายสองคนมาพบเข้าจึงเกิดโต้เถียงกันขึ้นชายคนหนึ่งว่า เสือโคร่งกับแมวเป็นสัตว์อย่างเดียวกันแต่ชายอีกคนหนึ่งเถียงว่าเป็นสัตว์คนละชนิดเวลานี้เราอยู่ในฐานะเดียวกับชายสองคนนั้นท่านเหมือนชายคนแรกที่เห็นเสือกับแมวเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันส่วนข้าพเจ้าเห็นเสือกับแมวเป็นสัตว์คนละชนิดเถียงกันก็เสียเวลาเปล่าข้าพเจ้าอยากจะพักประเด็นนี้ไว้ก่อนแล้วสนทนากันในเรื่องต่อไปท่านจะว่ายังไรข้าพเจ้าไม่ยอมท่านจะหยุดไม่ได้นะ จนกว่าจะอธิบายแจ่มแจ้ถ้าอธิบายไม่ได้ก็หมายความว่าท่านจนต่อเหตุผลข้าพเจ้าหนึ่งคะแนนจะต้องเป็นของข้าพเจ้าถ้าจะว่าอย่างไรดูท่าทาท่านกระหายอยากได้คะแนนเหลือเกินนะเห็นกิริยาของท่านแล้วทัดอยากจะยกคะแนนให้เลยแต่เมื่อมาหวนคิดถึงสุภาพสิทธิ์ที่ว่าพึงให้แก่บุคคลที่ควรรับกาพระเจ้าจึงจําเป็นต้องหยุดไว้ก่อนเอาล่ะท่านบอกมาสิว่า เสือกับแมวมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากใช่หรือไม่ใช่แต่ขนาดของเสือกับแมวแตกต่างกันมากไหมใช่เสือมีขนาดใหญ่กว่าแมวมากการกระทำด้วยเจตนากับไม่เจตนาเป็นการกระทาที่เหมือนกันใช่ไหมใช่กบเจ้ายืนยันข้อนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วที่ท่านพูดอย่างนี้ท่านมีเจตนาหรือไม่ไม่สิท่านเลวะตะถ้าท่านพูดโดยไม่เจตนา ท่านจะชนะข้าพเจ้าได้หรือไม่เอาชนะท่านไม่ได้การพูดโดยเจตนากับการพูดโดยไม่เจตนาอย่างไหนจะมีเหตุผลมีความเป็นระเบียบได้เรื่องได้ราวดีกว่าการพูดโดยเจตนาเนั่นจิไม่เหตุผลได้เรื่องได้ราวดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าท่านยอมรับการกระทําโดยเจตนากับไม่เจตนามีลักษณะแตกต่างกันมาก แตกต่างกันแต่ก็เป็นการกระทําเหมือนกันข้าพเจ้าถามแต่เพียงว่าแตกต่างกันหรือไม่เท่านั้นขอให้ท่านวีรศรีหะยืนยันข้อนี้แตกต่างกันการพูดโดยเจตนาอาจทำให้ท่านชนะข้าพเจ้าได้ แต่ถ้าพูดโดยไม่เจตนาอาจจะทําให้ท่านพ่ายแพ้แน่นอนก็แสดงให้เห็นชัดว่าผลการกระทําโดยเจตนาและไม่เจตนาแตกต่างกันมากใช่หรือไม่ใช่แต่มันก็เป็นผลเหมือนกันขอให้ท่านยืนยันอีกครั้งว่าผลมันแตกต่างกันมากผลแตกต่างกันมากก็เป็นอันว่าท่านยอมรับแล้วว่ากรรมกับกิริยานั้นต่างกัน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 เห็นควรยุติกะสติสำหรับคราวนี้ท่านวีละสีหักเป็นฝ่ายถามและท่านเรวตัตสามารถตอบได้เป็นอันว่าเสมอกันไปไม่มีฝ่ายได้ได้คะแนนข้าพเจ้าซึ่งเป็นประธานเห็นว่าการต้วาทีวันนี้ได้ใช้เวลา น, านานมากพอควรแล้วสมควรจะยุติสติวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าในนาคุณนิ้ารนขอเชิญท่านเรวตัตมาต้กับฝ่ายเราอีก เพื่อให้แพ้ชนะเด็ดขาดลงไปเอาวันนี้ขอเลิกประชุมแวกกบร หลังคืนไปสิบห้าสีนักกรุงพระนศีราชธานีแห่งแควนกาศีะครอังกาวแกระศักดิ์สิทธิ์แห่งชมพูทวีตนางเมติยาพรมณีผู้เป็นสีพระยาของเมติยาเศรษฐีได้ให้กำเนิดแก่บุตรีคนแรกและตั้งชื่อให้ว่ารัตตาปานีเพราะอาศัยที่กุมารีน้อยมีฝ่ามือเป็นสีแดงกัเป็นพิเศษกว่าคนอื่น แม้ว่าเมติยาเศรษฐีผู้บิดาจะรู้สึกผิดหวังจิดบ้างที่ไม่ได้รูท้ายสืบสกุลแต่การได้รูกสาวก็นำความปราบลื้อปิติมาสูม่มารดาและฆ่าทาตบริวารเป็นอย่างมากเมติยาเศรษฐีรีบนำอวันเดือนปีเกิดของธิดาไปให้พระปุโรหิตผู้เชี่ยวชาญในทางพยากรณ์ัก์ผูกดวงชะตาและทำนายทายทักให้ดวงชะตาของธิดาท่านมีลักษณะแปลกมาก แปลกยังไงแล้วท่านอาจารย์ตามเกณฑ์ดวงชะตานี้ท่านดูเหมือนจะมาได้เลี้ยงเธอและเธอก็มาได้เลี้ยงท่านหมายความว่ายังไงท่านอาจารย์ก็หมายความว่าเธอจะอายุสั้นอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่อายุสัน้นแล้วถ้าอย่างนั้นมีอะไรละ่ะท่านอาจารย์ก็พเพาเจ้าเกรงว่าเธอจะมีอันพัดพลาดจากท่านมากกว่าและจะเป็นการพัดพลากตั้งแต่ยาววัยเซะด้วย ได้เล ห, หนูเพิ่ง อ, อายุห้าขวบรู้จักเมืองสาวัตถีได้ยังไงหนูเล่าจากนี้ทีเดียวอย่าไปเลยรัตตปณีกลับเข้าบ้านเถอะอย่ามาเรียกฉันรัตตปณีนะจะไม่ได้ชื่อนี้ั้นหนูชื่ออะไรล่ะฉันชื่อลีลาวดีลีลาวดีถูกล้วจำไว้นะฉันชื่อลีลาวดีตั้งจากนี้ต่อไปเรียกฉันว่าลีลาวดี อย่าเรียกฉันรัตปานีแป่นั้นขดัดลีลาวดีดีมากตั้งเรียกอย่างนี้ กขอถามอะไรแม่อย่างหนึง่งลูกจะถามอะไรแม่เหรอจ๊ะรัตตปานีลูกชื่อลีลาวันดีจ๊ะแม่อ๋จะจ๊ะแม่ลืมไปขอโทษทีนะลูกกีลาวดีต้องการจะถามอะไรแม่จ๊ะนครสาววันทีอยู่ที่ไหนอยู่ทางทิศเหนือของที่นี่จ๊ะไกลไหมไกลมากทีเดียวลูกถามทําไมอ่ะลีลาวันดีอยากจะไปเมืองพาราณสี ไปทําไมลูกไปเยี่ยมแม่ของลีลาวดีถ้าใบลูกพูดอย่างนั้นละ่ะก็แม่ของลูกก็นั่งอยู่ที่นี่แล้วไม่ใช่เหรอแม่เป็นแม่ใหม่ของลีลาวดีแต่แม่เก่าที่เมืองสาวัตถีว่าไงลระท่านลูกอยากจะไปเมืองสาวัถีเพื่อพบแม่เก่าตกลงจะพาไปพิสูจน์ความจริง คลางสาวันทีนายที่สุดก็มาถึงกลางสาวันีแล้วนั่นล่ะพ่อเขาเรียกว่าอะไรนั่นคือประเชตวนารามพระเชตาวานารามแต่ว่าตาเคยอยู่ที่นั่นเวลานี้ก็าอยู่ที่ไหนประตปานี <c oughs> ลูกเป็นอะไรไปแล้ววันี้คีถือแล้วว่ตาตะใครว่าตาเป็นใคร เขาเป็นคนรักของลีลาวันนี้คุณรักถูกแล้วเขาเป็นคนรักของลีลาวนันนี้เขาเคยอยู่ที่พระเทตาวนารามนี้ไม่แล้วว่าเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนอ๋อลีลาดีนั่งหวแล้ ว, นะ แ, ลวแต่ว่าตาอยู่ที่กรุงอัจฉริยะแล้วคลวงของมคอดรัตพ่อกรุงอจะริยอยู่ที่ไหน ไกลมากมอยู่ในแคว้นมคตไกลมากทีเดียวลูกเอ้ยไกลมากบางทีในชาตินี้พ่อคงไม่มีโอกาสได้ไปเห็นกรุงราชคฤึก สบายอัตมาเป็นไข้ไลยต้องนอนสมเห็นจะเป็นเพราะดินฟ้าเปลี่ยนฤ ด, ดูนั่นเองแต่วันนี้แล้วสินะ่ะท่านจะต้องไปโต้วาทีกับพวกนิครนอัตมาเห็นจะไปไม่ไหวแน่ช่วยหาคนไปแทนอัตมาด้วยข้าไปเจ้ามองดูแล้วไม่เห็นมีใครไปแทนท่านได้หาพิสุที่แตกฉานในพระธรรมไม่มีเลย ถ้าพวกท่านไม่สามารถหาผู้เหมาะสมไปแทนได้